أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <ت ص في ق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله ر ب العالمين اللهم ص ل و س ل م وبارك على ن ب ي ن ا م ح م د وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا อิลล ا إن أن الع إ ั่งเลมต์เณอนักเอนต์เเละเลมุลพากิมรั ظلمن ا ณ ن ัลฟุสเ ن น م วอิลัมทอฟฟ์ ن ์ ا เ ن ะเ ن อวอทร ن ร์ห์มเ ن ا ะเ ن ا นคู ا นนเเนะมิ่นเเละซีริ ر รับเเน ا อาเเทเเ ชูกรทั้อัลลอฮ์ س ب านะ ه และ تعالى ในทุกสถานการณ์ทุกเหตุการณ์ที่เราจะต้องเจอในแต่ละวันัทำได้ละนะครับพี่น้องไม่ว่าชีวิตของเราจะอยู่ในขาขึ้นหรือว่าขาลง ทั้งหมดนั้นก็เป็นรับประสงค์ของล็อกสุภาเราแต่ละทั้งสิ้นนะครับเพราะเราถูกกําเนิดมาในโลกดุนีย์นี้เพื่อการทดสอบทดสอบด้วยสิ่งที่เราชอบและสิ่งที่เราไม่ชอบเวลาที่เราเจอสิ่งที่เราชอบเราจะต้องทํายังไงเวลาที่เราเจอสิ่งที่เราไม่ชอบเราจะต้องทํายังไงนะครับคนที่มีจิตสํานึกหรือมีความรู้ เกี่ยวกับอิสลามเขาก็จะทำตัวได้ถูกเขาจะกำหนดจุดยืนของเขาได้อย่างถูกต้องอย่าว่าแต่เรื่องที่ไม่ดีนะครับแม้แต่เรื่องที่ดีถ้าเราไม่รู้เราก็จะอยู่ไม่ถูกเวลาที่เราเจอเรื่องดีๆแต่ถ้าเราไม่รู้ที่จะทำตัวยังไงบางทีเราก็อยู่ไม่ถูกเหมือนกันไม่ต้องไปโทษชีวิตทำไมชีวิตฉันเจอแต่เรื่องที่ไม่ดีอย่างเดียวแลวเวลาเจอเรื่องที่ดีเนี่ย เราเคยทำตัวถูกไหมบางครั้งมนุษย์บางคนมนุษย์บางประเภททำชั่วต่ออา l a h ในขณะที่เขามีชีวิตที่ดีมากกว่าตอนที่เขานะมากกว่าการทำชั่วตอนที่เขามีชีวิตที่ไม่ดีระวังให้ดนะีการทดสอบบางทีอ l ล a ะสุ ح ا ن ه และต์เราต้องการทดสอบเราเพื่อให้เรากลับไปหาพระองค์ ลัลละหุ ج ย่รจ ن งุนนี่สุรัตุรุมที่รัยินอะยาตีอัลลลาบวาลซัพล์ฟลบรวัลปัร์ร ا บมาคัซบัตอะย์ดีนนัสลิยูซีควะ ل ุมบางส่วนที่ทำลัลละหุม م ่รจีงุความหียนัที่เกิดขึ้นบนน้านั่นดินเพศภัยต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้ เนื่องจากมนุษย์เนื่องจากน้ำมือของมนุษย์เพื่อที่อัลลอฮฺสุบฮานาตะละจะให้พวกเขาได้ลิ้มรลองการลงโทษของพระองค์สักนิดหนึ่งนิดเดียวเนี่ยทําเพื่ออะไรเพื่อให้เขาตายเพื่อให้เขาหมดสิ้นสูญสลายไปจากโลกดุนยาไหมไม่แต่เพื่อให้พวกเขาสํานึกละล่ะฮุ่ม ย่ำจีเพราะฉะนั้นบททดสอบบางอย่างเนี่ยเพื่อให้เราสานึกไม่ต้องบน่นเวลาที่ปวดหัวก็ไม่ต้องบน่นเวลาที่ปวดฟันก็ไม่ต้องบน่นเวลาที่เจออุบัติเหตุก็ไม่ต้องบน่นเพราะว่าอัาลลอลากำลังเรียกเรากลับถ้าไม่ปวดหัวไม่นึกถึงอัลลอฮ์ถ้าไม่ปวดฟันไม่นึกถึงอัลลอฮ์กินลูกเดียวกินทุกอย่างที่ขวางหน้าถ้ากินเหล็กได้ก็กิกนด้วย นี่ยคือดีนะที่อัลลอฮฺสบาวแต่อะไรให้เราปวดฟันด้วยปวดเท้าด้วยจะได้ไม่ต้องเดินไปหามตเสียบางทีปวดปวดฟันก็จะไม่ไมต้องพูดสิ่งที่ไม่ดีอัลฮัมดุ ล, ลิลละเพาะฉะนั้นอัลฮัมดุ ล, ลิลลนะเจอสิ่งที่ไม่ดีก็อัลฮัมดุ ล, ลิละนะครับเพราะอัละลอฮฺต้องการให้เราสํานึกตนถ้าเราคิดอย่างนี้เนี่ยดุนยาณี้ไม่มีอะไรที่จะเครียดสิ่งที่เครียดเนี่ยเป็นเพราะเราทําเอง ไม่มีปัจจัยอื่นเลยในโลกดุณยานี้นะครับที่ทําให้เราเกิดความรู้สึกไม่ดีต่อชีวิตนอกจากเราทําตัวเองว่ามา ظلمهم الله ولكن كانوا أ ن ف س ย م يظلمون อัลลอฮฺะแลไม่เคย ظلم พวกเขาอุ้มอินนัลลอฮฺะละย ظلم الناس شيئا อัลลอฮฺะละไม่เคย ظلم มนุษย์พวกเขาจลิมตัวเอง นะครับเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้ด้วยเป็นกำลังใจเป็นคติในการใช้ชีวิตของพวกเราทุกคนในโลกเดนยรเพราะว่าทุกวันนี้เรามีชีวิตอยู่มันหนีไม่พ้นนะครับก็เลยต้องให้กำลังใจอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาพยายามอยู่ในเส้นทางที่อัลอลอฮฺสุบฮานตะอัลลได้ขีดเอาไว้ให้เราแล้ววิถีชีวิตที่พระองค์ทรงส่งลงมาพร้อมกับริสกี พร้มกับชีวิตพระตะให้ชีวิตกับเราให้ลมหายใจแล้วก็ให้ริสกีริสกีก็คือสิ่งที่เราจะได้มีชีวิตอยู่ด้วยสองอย่างนี้ยังไม่พอบางทีชีวิตเราเอาจาก Allah ริสกีที่จะดํารงชีวิตเราก็เอาจาก Allah แต่วิถีชีวิตเราไม่ได้เอาจาก Allah ทำไมละ่ะ ในเมื่อชีวิตก็เป็นของ Allah เรื่องเกีก็เป็นของ a l แล้ววิถีชีวิตละ่ะทำไมเราจึงคิดเองทำไมเราจึงทึกทักทำไมเราจึงตะ ก, กะบรุรหัวแข็งดือ้อที่จะไม่ยอมใช้วิถีชีวิตของ Allah นะครับเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้ด้วยนะขอให้จำนะครับเวลาที่เราปวดร้าวปวดใจทุกมีความทุกข์ในชีวิตเนี่ย ไม่ใช่เพราะ Allah ครับเพราะเรา Allah เป็นผู้กำหนดมาใช่แต่ว่าสาเหตุเป็นเพราะเราอวตัลลาไม่ได้ด่วนยอะไรเราและเวลาที่เรามีปัญหานะกับชีวิตของเราให้เรารีบกลับไปหา Allah ทันทีอันนี้คือสิ่งสำคัญมากมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะผิดผิด พ, พ, พ, พลังพลาดพลังไม่ว่ากับตัวเองกับคนอื่นหรือกับ a l l a ซุบฮานาาะฮะอล แต่หนทางของมันก็คือไม่มีทางเด็ดขาดที่เราจะทําผิดซ้ำสองหรือจะไปจะดือ้อจะทําผิดอีกยิ่งผิดแล้วยิ่งอีกยิ่งผิดอีกมันไม่ใช่อ่ะไม่เหนื่อยบ้างหรือทำผิดตลอดเวลาจนไม่ยอมหยุดเนี่ยนะหันกลับสิครับมันมียูเทิร์นทางด่วนยังมียูเทิร์นก็บอชีวิตก็มียูเทิร์นนะไม่ต้องไม่ต้องว่ากูจะไปของกูไม่ยูเทิร์นไม่กลับไปหาอัลลอ เวลาที่เราเอ้านี่มันผิดทางนี่ว่ายูเทิร์นสิครับแล้วยูเทิร์นของละตอาอันนี้ไม่ต้องไปข้างหน้าห้ากิโเมตรหรือสิบกิโเมตรยูเทิร์นตรงนั้นได้เลยนั่นเป็นทางด่วนทางหลวงนี่ใช่ไหมอา้าวผิดทางเข้าซอยผิดต้องรออีกกี่เมตรอ่ะกี่กิโลอ่ะกว่ามันกี่กิโลอกว่าจะเจอยูเทิร์นอีกครั้งนึ่งของ Allah ไม่ตัง้งยูเทิร์นขอ ง, Allah, ของาละตาอันนียผิดตรงไหนยูเทิร์นเลยทันทีเลย อย่ารอที่จะไปยูเทิร์นสถานีนะระวังกลัวจะไม่ถึงสถานีแล้วก็หลับในซะก่อนเข้าครูลงครูไปเอ้าสุบินลหละมินดาเลกนะครับนี่แหละครับชีวิตของเรานะเป็นห่วงเพราะว่าทุกวันนี้เราอยู่ท่ามกลางสิ่งล่อลวงเยอะมากสิ่งล่อลวงพวกนี้เนี่ยอะไรแบบบางครั้งมันอดใจไม่ไหวหลไรอย่างที่มันล่อลวงแล้วอขอสักนิดหนึ่งขอทาสักหน่อยหนึ่ง แล้วพอทำเสร็จก็ปวดใจเสียใจทุกข์ใจนะครับอขอให้รู้เอาไว้ว่าไม่ว่าคุณจะทุกข์ใจปวดใจขนาดไหนอัลลอฮ์พร้อมที่จะรับคุณอยู่เสมอรับการเตาวัดตัวของคุณกลับไปหาอลัลลอฮ์ฟฟิรุฟาฟิรูอิลลอห์เราต้องอธใช้คคำว่าจ ง, ว, งวิ่งกลับไปหาอลัลลอฮ์ฟฟิรูจงวิ่งวิ่งกลับไปหาอลัลล์เวลาที่รู้สึกไม่ไหวละ วิ่งกลับไปหา Allah เลยไม่ต้องเดินใช้วิ่งไปเลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยเหมือนกับจินจินพอรู้ความศัจธรรมมันอีหม่านเลยมันศรัทธาเลยมันไม่รอนะฮะอันนี้เราจะเรียนอีกเพิ่มเติมนะครับสุราตุลจินจินมันสอนมนุษย์วันนี้เราจะเรามาเรียนเรามาเรียนกับจินนะสุราตุลจินเนี่ยจินกำลังจะสอนเรา ถ้าเราไม่ยอมฟังมนุษย์ด้วยกันดูซิว่าจินกำลังจะสอนเราจะฟังไหมฮะเชิอัลลอ์นะวันนี้อายัดที่สามเป็นต้นไป น, นะครับเราเรียนแล้วสอนอายัดสัปดาห์ที่แล้วเบื้องต้นนะครับมวกับดิมะวันนี้เป็นอายัดที่สามหนังสือรู้สึกว่าจะไม่พอเดี๋ยวให้น้องๆพามาอีกนะครับหนังสือมีอีกภาพอีก อัลซามฮักบลาอ้างุบิลลาฮิมัตอล ن ا ل ى جد ر م خ ذ ص ا ح วَ ل و ะว وأنه ت ع ا ل ي أ من ذ ه و ع َ كان يقول سفيهنا على الله شققا وأن ظننا ََ ألا تقول َُ الإنس والجن ّ ع َ ل ى الله َ كذبا َِ وأنه كان رجال من الإنس ي ع و ُ و ن برجال من الجن ยังมีَู้เป็นผِู้ำَ ا ل มَหน้าที่สืบสานَระเพณีขَงِวกเَาพวกเข ن เป็นผู้นำทีَ่ีหน و าที่สืบสานป <ت ص في ق> وأنهم ظنوا كما ظنتم أَلَّا يبعث الله أحدا وأننا ولم وأننا لم سن السماء فوجدناها ملأت حرسا شديدا وشوبا و ن ن ا سن السما وأنكنا ََُّ وأ نقعد من من ُ منها ِ مقاعد َ للسمع فميس َ ตัมยิลอาณายจ ا เลวุชฮะบักรัศดาว่าณนาลานดีอชร์อุริดะบิมันฟิลอาร อัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลสอัลลอฮฺมัลลอฮฺัออฮอฮัอัลลลอฮอัลฮัลลลััล อันเยอะมากนะต้นอายัดว่าอันนาหูว่อันนาแม้ว่าจะเป็นตามด้วยหูว่าอันนาหูเป็นบุรุษที่สามว่อันนาหูหูก็คือบุรุษที่สามเป็นตอมีดนะครับท่นาว่าอันนาเป็นบุรุษที่หนึ่งหมายถึงพวกเราอันนาหูเขานะว่อันนาว่อันนาอันนาเนี่ยใช้ในการกระซารับนะครับ เรียว่าใช้ในการเล่าเรื่องว่าอันนัว่อันนัแสดงว่านี่เรากําลังฟังยินมาเล่ามาเล่าเรื่องให้ท่านนบีสุลต่านอัลลอฮฺทราบผ่านยิบรีไม่ได้เล่าให้กับไม่ได้เล่าให้กับท่านนบีเองยิบรีลมาเล่านะครับผ่านยิบรีลอะลัยซัลลัมว่าพวกยินมันพูดถึงวะฮฺยูของอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺตาลาอย่างไรหลังจากที่มัน ได้มาเจอท่านนบีในขณะที่ท่านนบีกำลังอ่านอัลกุรอานในละมาดแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละคือสิ่งที่นะพวกเขาหาสาเหตุกันมานานว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับสุดท้ายก็กลับไปเล่าให้บรรดาพักพวกของตัวเองฟังว่ามาเจอกับท่านนบีสุลตลามได้ฟังอัลกุรอานแล้วก็เกิดความศรัทธาขึ้นมา และได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆมากมายจากอัลกุรอานนันอัลกัลไครม์ในจํานวนสิ่งที่บรรดาจินเหล่านี oui ้พูดเป็นเรื่องยาวเลยวันนี้แค่จะเอาแค่นี้ก่อนดูว่าทันหรือเปล่าในบรรดาสิ่งที่บรรดาจินเหล่านี้นะครับได้พูดได้เล่าให้ฟังก็คืออายะห์ที่อัลลอฮฺแต่ลาบอกว่าว่าอันหุท้าลาจัดรับบินะมัตตัฮดซาฮิบะตันวลาวลาดะอันนี้เป็นการ นะบอกถึงความยิ่งใหญ่ของ Allah سبحانه า, าละ ت ع ا ل ฟังอัลกุรอานแล้วได้รู้ว่ามาชงอรัลลอ Allah ยิ่งใหญ่มากเนี่ยนี่มันสอนเรานะอยากจะรู้จัก Allah ทำยังไงอยากจะรู้จัก Allah อยากจะให้เกิดความมั่นใจในความยิ่งใหญ่ของ Allah ทำยังไงดีมีวิธีไหนบ้าง นั่งทางใน <ت ص في ق> นั่งเะไรวะ ล, ละนั่งสมาธิ <ت ص في ق> นะมีวิธีสองวิธีหนึ่งก็คือการสังเกตมรุกอัลลอฮ์ سبحانه และก็ต่าละซึ่งเราเรียนแล้วในสุราอัลมุลกแล้ววิธีต่อไปก็คือการจีเกตหรือการอ่านอัลกุรอานของอัลลอฮ์ سبحانه และก็ต่าละเห็นไหมพวกจินมันฟังอัลกุรอานมันก็เลยประมวล Tujuh yang dimanfaatkan dalam peranan Allah Subhanahu Taala ta jad, yang jay. Wahannelahu Taala Taala itu sung-sung, jad, jadurabina, jadu. Maksudnya, kekuatan yang besar. Yang besar itu tidak ada. Yang besar itu tidak ada. Yang besar itu tidak ada. Yang besar itu tidak ada. Yang besar itu tidak ada. Yang besar itu tidak ada. Yang besar itu tidak ada. Yang besar itu tidak a a t a k a a d a s a r i b a t a n g a r a k ada. d a k e s u s u t s u t i u n i t a y a i t a r a y a n a y a i k u k r a k e s a r a y a itu k a e n a n g k a d t i k u a t บางพวกมนุษย์บางพวกและจินด้วยจินบางพวกด้วยกล่าวอ้างต่อ Allah ب ح ا ن ه และ a h นั้นมีคุกร้าและก็มีลูอ่าอบิลลัมมายิฟเพราะฉะนั้นการได้เรียนอัลกุรอานจะทาให้เรารู้จัก a l l a เวลาที่เราอ่านอายะต่างๆที่พูดถึงการสร้างของ a l l a คุณลักษณะต่างๆของ Allah س ะ l l a จะทาให้เรามั่นใจมากขึ้นใน สุภานั่นแหลนะใครที่อ่านอัลกุรอานเยอะเขาจะเข้าใจความรู้สึกนี้ความรู้สึกมั่นใจมั่นใจทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะว่า Allah วอัลลอฮ์ทรงสร้างเขาแล้วก็เขาคิดคือมันอธิบายไม่ได้พอถึงจุดหนึ่งคุณจะอธิบายไม่ได้ว่าคุณรู้สึกยังไงกับอัลลอฮ์สุภานัลนแหละอันนี้เราต้องอ่านนะครับเพราะว่าอัลกุรอานเป็นเป็นสถานเป็นแหล่งที่ดีที่สุดสําหรับการทําความรู้จัก อัลลอฮฺส like ุบฮานาะตาอัลละเหมือนเวลาที่เราอยากจะรู้จ <n> ักใครบางคนหนังสือที่เราอ่านน่ะพี่น้องเคยอ่านหนังสือไหมหนังสือที่เราอ่านบางทีเวลาที่เราอ่านหนังสือของใครเราเหมือนเหมือนจะรู้จักคนเขียนคนนั้นอยากจะรู้จักใครให้อ่านหนังสือที่เขาเขียนถูกต้องไหมครับทุกวันนี้เราชอบหนังสือใครบ้างใครอ่านหนังสือใครบ้างวันนี้มีนักเขียนหลายคนวีซีไรส์นักเขียนซีไรส์หรืออะไรก็แล้วแต่ เสมอหมดนะเวลาที่เราอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีความรู้สึกเอ้ยเหมือนจะรู้จักแล้วสไตล์การเขียนของนักเขียนเนี่ยคือไม่ว่าเขาจะเขียนหนังสือกี่เล่มเขาจะซ่อนสไตล์ของตัวเองไม่ได้มันเหมือนเหือนกันมันจะใกล้ยๆกันเล่มที่หนึ่งเล่มที่สองเล่มที่สา ม, มันจะออกแนวเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นอยากจะรู้จักอัลลอฮ์ก็ต้องอ่านคําำพีของพระองค์ต้องอ่านพระดํารัสของพระองค์เท่านั้นนะครับเนี่ยพวกจินบอกว่าวะอันนะฮุเข้าถึงข้อเท็จจริงข้อนี้ หลังจากที่มาฟังอัลกุรอานที่ท่านนาบีซุลลัลลอฮฺสัลลัมได้อ่านให้พวกเขาฟังมาถาะซฮิตันวะลวะลดะจัดคว่าจดมื่กี้ที่ผมบอกว่าหมายถึงความยิ่งใหญ่นะบางในอีกความหมายหนึ่งเขาบอกว่าหมายถึงความร่ำรวยก็ได้ดูอาที่เราอ่านหลังละหมาดจำได้ไหมครับอนะอะไรนะวะลายันฟาง זל جدّي ตันต้นว ah um ma ่าอย่างไงี้ละอัลลอฮฺมลาม اني علماء أطيت ولا معطي لما منعت ولا و زل ج د ي منك الجدّو จำได้หรือเปล่าฮะัวอันนี้ไว้อ่านนะเป็นซิกเคนในละมาอัลลอฮฺมลาโมะเลิกในละมาก็มีด้วยในละมาซาบิยัลลอฮุญุมาน حميدا رَبَّنَا و َ ل َّ ك ِ ن ْ ح َْ Allahumma antarabbi la ilaha illa anta ไม่ใช่อันจะมี دعاء เพิ่มอีกหลังจากที่เราอ่านคำว่าสา Allah หรือมันคำนี้ด้แล้วก็จะมี دعاء บทนี้นิดหนึ่งอ l ini, ini um l a h u m m a lamani a l ไม่มีใครที่สามารถจะกันสิ่งที่พระองค์จะให้เรา ولا مأتيالما منعتا แล้วไม่มีใครที่สามารถจะให้ได้ในสิ่งที่ a อาไม่ให้กับเรานี่คืออัลดะ ولا ينفع زل جدي ن ك الجد نا الله نا الله سبحانه وتعالى ใครก็ไม่สามารถจะให้ความช่วยเหลือกับเราได้รับประ ก, กันเราไม่ได้จะรวยแค่ไหนจะมีตําแหน่งยศถาบรรดาศัก์มาจากไหนถ้าสมมุติว่าเราจะต้องรับการลงโทษจากอัลลอฮฺสุบานต์อะลาใครก็มาช่วยไม่ได้อันนี้คือความห ม, มายของมันจัดนะครับหมายถึงว่าความมั่งมีหรือตําแหน่งนั่นเองหนะลังจากนั้นวะอันห <S aa. S 1> ูแค่ในกูลส์ฟีหูน่าอัลลอฮฺชัตตุวะอันหูเลวิกนะฮะวะอันหู แค่นายกู้ลูซาฟีฮูนะคนโฉดเขาของเราซาฟีแต่ว่าซาฟีก็คือคนชั่วคนโฉดซึ่งความหมายในที่นี้หมายถึงอิบลีสนะพวกจินเองก็เรียกอิบลีสว่าเป็นไอ้โฉดซาฟียนะินที่ศรัทธาต่อ Allah นะรู้ตัวรู้มันรู้นว่าอิบลีสคืออะไร ว่าหนูเขาเป็นอย่างไร ที่ต้องการให้มนุษย์เนี่ยหลงไปจากเส้นทางของล่องสมภารตะล่เป็นผลงานของอิบลิสทั้งสิ้นในการปลุกร่างเท็จขึ้นมาอิบลิสแล้วก็พรรคพวกของมันนะที่เป็นจินกาเฟอร์คยที่รู้สึกว่าจะเคยบอกหรือยังที่นี่นะครับว่าวิธีการที่อิบลิสหรือว่าวิธีการที่เชตตอนจะหลอกผู้ศรัทธาจะมีทั้งหมดเจ็ดระดับเจ็ดหรือว่าแปดระดับเคยสอนหรือเปล่าครับเคยบอกหรือยัง นะจุดประสงค์แรกเป้าหมายที่สูงที่สุดของอิบลิสในการหลอกเราก็คือทำอะไรต้องการให้เราชีริกถ้าสมมติว่านะเนี่ยในหนังสือเล่มนี้เล่มสีแดงไงเล่มสีแดงนี่แหละเล่มสีแดงนี่เล ย, เ, ล เ, ลยเปิดหน้าเท่าไหร่เดี๋ยวจะหาสักนิดหนึ่งให้เราพวกเราไปอ่านเองนะครับนะวิธีการที่อิบลิสมันจะหลอกลวงเราเนี่ย มันต้องการน่ะเจ็ดขั้นตอนเขาเรียกว่าเจ็ดขั้นตอนที่อิบลิสใช้ในการหลอกลวงมนุษย์เดี๋ยวใครสักคนช่วยหาให้หน่อยกว่าจะเสียเวลาอยู่หน้าไหนอยู่ในนี้แหละนะครับเดี๋ยว ก, กลับถ้าใครที่อ่านหมดเล่มแล้วเนี่ยก็จะต้องเจอแน่นอนยกเว้นว่าเราไม่อ่านแค่นั้นเองะถ้าไม่อ่านก็ไม่เจอแน่นอน <laughs> ถ้าอ่านเจอแน่นอนถ้าไม่อ่านก็ไม่เจอแน่นอนนะครับ แนะต้องการให้เราชีริกนะถ้าเราไม่ชีริกก็ลดระดับลงมาให้เราแค่นะทําเป็นะอะออถ้าทําไม่ทําไปนะให้ทําบาปใหญ่ถ้าไม่ทําบาปใหญ่ให้ทําบาปเล็กถ้าไม่ทําบาปเล็กให้เราทําสิ่งที่ไม่มีบาปแล้วก็ไม่มีบุญถ้ายังรอดอีกให้ทําสิ่งที่ได้บุญน้อยกว่าอ้าววววไม่รู้ยังไงนี่เอะ จะทำบุญสองอย่างแลวเนี่ยอ like? ันนี้บุญเยอะอันนี้บุญน้อยมันยังหลอกเราให้เราทำสิ่งที่ได้บุญน้อยกว่าอีกนี่คือซฟีนะโฉดมากนะครับชัยตอนอิบลิสละนาทูลละอะไเช่นเดียวกันนะครับคำพูดนี้อูอันนะฮกันยากูลุซฟีฮุนะล ل ى الله شطاطة มันอหฮังกาถึงขนาดว่ากล่าวเทงต่ออัลลอฮ์ س ละชตก็คือมุแวะจัตุลฮัดการออกไปจาก การออกไปจากข้อเท็จจริงหลอกลวงนี่คือหน้าที่ของมันเลยทำยังไงก็ได้เพื่อที่จะหลอกมนุษย์ให้ออกไปจากความจริงมันมีกฎมีนิยามที่รู้สึกว่าจะเป็นนักปรัชญาสายคอมมิวนิสต์สายเผด็จ ก, การเป็นเป็นผู้วางทฤษฎีนี้เขาบอกว่าจะทํายังไงให้ประชาชนนิยเชื่อก็บอกโกหกคำโตโตแล้วพูดบ่อยๆเดี๋ยวประชาชนจะเชื่อเอง <laughs> คุณก็หกไปเถอะก็หกอีกแล้วหกแต่ว่าพูดบ่อยๆโฆษณาเยอะๆอะไรเขาเรียกใช้วิธีการหลอกร้วเยอะๆโกหกนะคำโกหกนี่แหละแต่ผ่านการโฆษณาโฆษณาบ่อยๆปลุกร้วบ่อยๆคนก็จะเชื่อเองมันจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่านี่คือคือคนเรามักจะเชื่ออะไรง่าย ไม่ใช่เฉพาะคนนะแม้กระทั่งยินเองเนี่ยยินเองมันก็บอกว่ามันเชื่อก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่มันไม่เคยฟังอัลกุรอานนี่มันเคยเชื่ออิบลิสมาก่อนเนี่ยอายะที่เดี๋ยวจะฟังนะอายะที่อ่าเนี่ยอายะต่อไปเลยว่าแนนันอัลลัตะ ل الإنس و ا ل ج ى الله كذب ะเมื่อก่อนน้านี้มันบอกว่าก่อนหน้านี้เราไม่คิดว่าทั้งยินหรือมนุษย์เนี่ย จะกล้าโกหกต่อ Allah เข้าใจไหมฮะคือคนมันเสือ่อคนมันอินโนเซนต์คนมันไร้เดียงสาไอ้คนที่ไร้เดียงสาเนี่ยมักจะมองโลกในแง่สวยในแง่ดีตลอดเฮ้ยมีด้วยเหรอคนที่โกหกต่อ Allah โกหกต่อ Allah ยังไงหมายถึงว่ากล้าบอกว่า Allah พูดอย่างนั้น Allah พูดอย่างนี้ในโลกนี้มีคนที่กล้าโกหกต่อล l ะ a h ด้วยหรือเขาไม่เคยคิดนี่แหละปัญหา ปัญหาที่มันเกิดขึ้นระดับคนที่เ็าเรามีใจที่บริสุทธิ์เนี่ยมักจะตามคนอื่นโดยที่ไม่เคยฉุกคิดมาก่อนว่าคนคนนี้เนี่ยอาจจะมาพูดโกหกยิ่งถ้าคนที่โกหกเนี่ยมาในลักษณะที่เขาแบบว่าน่าเชื่อถือแต่งตัวน่าเชื่อถือมีทรัพย์สินเยอะมีตำแหน่งสูงพูดอะไรใครก็ฟังหมด ไม่ไม่เาเรียกไม่เปิดหูเปิดตาแล้วว่าเอ้ยมันน่าจะโกหกลุบล่ามันน่าจะมีอะไรที่ไม่ใช่ลุบล่าไม่ถามนะคำถามนี้ไม่มีใครกล้าตั้งคำถามนี้พอเห็นมาในลักษณะนี้มันมีอยู่ประเภทหนึ่งว่ามินันนนสนะอะไรนะว่ามินันนนสิสุรุตุลบากระที่อัาลลอฮฺกล่าบอกว่านมนุษย์เนี่ยอะไรจะฟังคนพวกนี้คือคนที่มีทาต มีท่าทางสวยงามดูท่าดูบุ ค, คลิกอะไรเนี่ยไม่น่าจะโกหกแต่ว่าเป็นตัวร้ายเป็นตัวร้ายกาศที่โกหกเอาจะเป็นะอนะมัะะนแตเพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจอย่าไว้ใจ อ, อ, อย่าไว้ใจรูปลักษณ์อย่าไว้ใจภาพภายนอกที่เราเห็นต้องดูคำพูดว่าเขาพูดอะไรเอาคำพูดของคนที่พูดมาชั่ง กับคำพูดของเราถ้ามันใช่ก็ใช่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องพิจารณาแล้วว่าจะฟังหรือไม่ฟังดีพวกยินเนี่ยเขาเรียกว่า<ม>หาเหตุผลมาขอโทษว่าก่อนหน้านี้ที่เคยอยู่ในความหลงทางมาก่อนเนี่ยอันเนื่องมาจากว่าพวกเขาไม่คิดว่าในโลกดุนยานี้จะมีไม่ว่าจะเป็นยินหรือมนุษย์กล้าที่จะทำผิดอหังการถึงขนาดที่โกหก ตอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เพราะมันเป็นเรื่องใหญ่มากเราเราอ้างคําพูดของพระเจ้าอ่ะเล่นภาพอก้ไหมครับถ้าเราอ้างคําพูดเนี่ยจ ะ, จะีกแค่มนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยถ้าเราอ้าองห่อนเนี่ยต่ออิมมหม่าพูดกล้าไหมถ้าตอิหม่ามไม่ได้พูดสมมุติไปกำนันพูดผู้ใหญ่พูดหรือใครพูดนั่นก็ความผิดใหญ่หลวงแล้วต่อสมมุติว่าเจ้าตัวรู้แล้วนี่นักประสาอะไรอ่ะ อ้าว่าอัลลอฮ์พูดอ้างว่ัตว์อัละลอฮ์บอกเหนื่หนักมากเป็นคดีที่หนักมากคดีนี้เทียบเท่าคดีชิริกเลยใกล้ๆกับคดีชิริกเลยและเป็นสิ่งที่ชายตอนพยายามเนี่ยพยายามเหมือนกันที่จะชักจูงให้มนุษย์มีนิสัยแบบนี้อันนี้ต้องระวังมากโดยเฉพาะนะครับคนที่มีหน้าที่ในการสอนคนอื่นต้องระวังมากๆ เพราะบางทีเราอาจจะพูดคำหนึ่งคำใดออกไปแล้วคนอื่นเข้าใจว่าเนี่ยมันเป็นคำสอนของอัลลอ์มันเป็นคำสอนขอ ง, Allah, อของรอซูลในขณะที่อัลลอ์ไม่ได้บอกในขณะที่รอซูลไม่ได้บอกเนี่ยอันนี้จะอันตรายมากว่าจะพูรู้น่าละตัลามุนนะครับเราพูดในสิ่งที่เราไม่รู้มาจากอัลลอ์จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้น น, นี่เป็นคำสารภาพจากบรรดาจินพวกนี้ที่บอกว่าก่อนหน้านี้เราไม่คิดว่าจะมีจะมีคนกล้าถึงขนาดนี้เราก็เลย เชื่อเชื่ออิบลิสเชื่อพรกคพวกของมันที่มาที่มากระจายข่าวผิดๆอย่างนี้นะอูซูเแลลัคนั่นและวันี้เป็นความลับของบรรดา หมอผี <laughs> อันเนี้ยมาแล้วนะครับอายัดนี้อายัดนี้เกี่ยวข้องกับการที่มนุษย์ไปเชื่อไปกราบไหว้จินจินบอกเองว่าอันหนูแค่ในเรื่องมีคนส่วนหนึ่งจากหมู่มนุษย์อย่อูซูในบริจาล ม, มินอลจินได้ขอความคุม้คมครองจากใครครับจากจินฟาซาดูฮุมรอะกและเกิดอะไรขึ้น พอมนุษย์ไปมีปฏิสัมพันธ์กับจินไปขอความคุ้มครองจากจินไปมอบตัวเองกับจินเกิดอะไรขึ้นผลที่เกิดขึ้นคืออะไรฟาเซดูฮุมราฮะกอพวกเขายิ่งเพิ่มความมลที่รก็บอกว่ายังไงฟาเซดูฮุมราฮะกอพวกมั น, น ด้วยการทําให้พวกเขามีความกลัวและความเข็ดขยาดเพิ่มมากยิ่งขึ้นหมายถึงว่าเพิ่มความรู้สึกรหกรักกอเนี่ยหมายถึงความหยิ่งหรือบางตัปสิทบางอุลามะบอกว่าหมายถึงบาปหมายถึงความกลัวตกลงใครเพิ่มใครเวลาที่เราไปไปไปสมัครเป็นพักพวกของยินเนี่ยใครเพิ่มให้ใครกลัว ใครเพิ่มให้ใครยิงย่งยิ่งยโสคำพูดนี้น่าสนใจมากนะครับฟาซาดูฮ์หงรอก่อนอีใครเป็นประธานใครเป็นกรรมประธานก็คือประธานใ น, ในรูปประโยกเนี้ยประโยคเนี้ยฟาซาดูฮ์หงพวกเขายิ่งเพิ่มให้กับพวกเขาพวกเขาคนแรกที่ใครแล้วก็พวกเขาคนที่สองเนียใครใครเพิ่มให้กับใครยินเพิ่มให้กับมนุษย์หรือมนุษย์เพิ่มให้กับยิน ลองคิดดูสิใครที่ได้รับโทษใครที่ได้รับความทุกข์มากกว่าเห็นัหยครับเวลาที่มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับยินทั้งสองฝ่ายจะยิ่งหลงทางทั้งหมดเลยความหมายนี้ถูกทั้งสองยินเพิ่มให้กับมนุษย์มนุษย์เพิ่มให้กับยินเพิ่มสิ่งที่ชั่วยังไงยินเพิ่มให้กับมนุษย์ก็คือว่า พอมันเห็นมนุษย์เนี่ยกลัวมันมันก็ได้ใจโดยปกติแล้วเนี่ยจ uh um ินจะกลัวมนุษย์ฟังให้ดีโดยปกติจินจะกลัวมนุษย์เหมือนกับที่สัตว์ต่างๆกลัวมนุษย์เวลาที่เราไปในป่าเวลาที่เราไปที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าสัตว์มันได้กลิ่นเราเนี่ยมันจะมันจะหนีไปมันจะไม่อยู่กับเราจินก็เหมือนกันโดยปกติแล้วจินจะกลัวมนุษย์แต่เมื่อมนุษย์กลัวจิน เฮ้ยมันกลัวเรานี่หว่าอะหละมันจะมาเลยอันนี้มีมีคำพูดจากอุลามะตับซีดด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังเนี่ยเป็นฮะดีซี่มาเป็นคำพูดของเอกครมนะเขาบอกว่าแค่จินน์ยนั้นั้นั้นันั้นั้นันั้นันนนน เหมือนที to to ่มนุษย์ก็หนีจากจริงเหมือนกันพวกยินนี่กลัวมนุษย์น่ในอินซิยาน่าว่าเดี حربال บจินเวลาที่มนุษย์เนี่ยเข้าไปในป่าไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ไปที่ที่มันพวกยินนีจะหนีเลยไม่อยู่ด้วยเพราะมันกลัวมนุษย์ฟอยดุลกอุมน้าูดูน้าู ذ ู ا ิเซ د ิีอัเล้ววา มนุษย์นี่พอไปอยู่ไปหยุดตรงไหนเนี่ยก็จะพูดว่าเจ้าที่เจ้าทางเอ้ยลูกช้างขออะไรก็ว่าไปใช่ั้ยเอากลับตาลัปัดก็เรียกกลับตลบปัดพวกจินมันก็เลยได้ที่ฟ ق ا ل الجنو จินก็จะพูดว่านาร ا ه มย ف ฟร و น ا منا นาค ن ف ร ق ن ุ ر ق منهم เฮ้พวกนี้มันกลัวเราเนี่หว่านะ فدنو เอา فدنو من ا อิน س พวกมันก็จะเข้ามาหามนุษย์ตอนแรกกลัวแต่พอเห็นมนุษย์กลัวมันมันก็เลยกลับเข้ามาหาใหม่ฟะอสอบูฮุมบิลฆาบลิวัลจนูนนี่แหละมันก็เลยมาหลอกหลอนทําให้มนุษย์เนี่ยยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่นี่คือความหมายของคําว่าปซาดูฮุมรักกอจินเวลาที่มนุษย์มาขอความช่วยเหลือจากมันมันก็จะยิ่งทําให้มนุษย์เนี่ยยิ่งกลัวมันเข้าไปใหญ่ ยิ่งทำให้เรากลัวยิ่งทำให้เราหลอนเพราะฉะนั้นต้องไม่กลัวนะครับอันนี้ความหมายในแบบที่จินเพิ่มความกลัวให้กับมนุษย์ในขณะที่ความหมายที่สองมนุษย์เนี่ยยิ่งเพิ่มความตะกรบบดให้กับจินอ่าจาดูฮุมราฮะก็หมายถึงว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสาเหตุทำให้จินพวกนั้นยิ่งเหมิมเกรมยิ่งกูฟร์ยิ่งทาบาปต่อ Allah s u b h a เพราะฉะ น, นั้นบอกแล้วเมื่อสองตัวนี้มาจะเอ๋ด้วยกันเนี่ยมามามอยินกับมนุษย์มา m อ u มามามาเรียกว่ามีพันธะสัญญาด้วยกันเนี่ยไม่มีของดีเกิดขึ้นเลยมนุษย์เกิดไม่ดีนะมนุษย์จะยิ่งกลัวจินส่วนจินเองก็จะยิ่งกูฟอร์ตาะล้อ Allah สุภานนตาละนั่นแหละที่ว่าทำไมพวกบรรดาหมอผีเนี่ยเวลาที่เวลาที่มันหลอกมนุษย์เนี่ยมันมันบอกเลย มันบอกให้ทํานั่นทนํานี่ให้เชือดไก่ไปทิ้งไว้ตรงไหนนะตรงอะไรก็แล้วแต่อันไหนก็ตามที่เป็นพฤติกรรมที่ยิ่งชีริกยิ่งกูฟอร์มันจะยิง่งเขาเรียกว่าอะไรนะมีฤทธิ์หรือเปล่านะมันจะยิง่งมันจะยิง่งมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเงาสุเบลล่ะมันจะอะไอันนี้เป็นการยอมรับจากบรรดาบรรดาจินเองเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจนะครับต้องรู้ต้องรู้ทางพวกนั้น จะมรดกงามจิตนะอุษุบ no. yes. ิลลาอุนดา์ ن ه م ظ ن و ا ك م ا ظ ن ن ت م و ن ه و ن ه م ظ ن و ا ك م ا ظ ن ن ت م ل ن ي ب ع ث ا ل ل ه ح د พนี้นะไม่ว่าจะมนุษย์ที่กัฟเรต่อ a l ซนูพวกเขาคิด <n> ว <ou> an ่าแคมาลซนันตกเหมือนกับที่พวกเจ้าคิดหมายถึงว่าสองพวกนี้เหมือนกันยินกับมนุษย์เนี่ยบางกลุ่มบางพวกก็เหมือนกันคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันยังไงอัลลอยยับบะฮัลลอฮฺอัฮะดะคิดเหมือนกันว่าอัลลอฮฺซุบฮานาอัลตะลาจะไม่ทรงทํำให้พวกเขานั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งการคิดแบบนี้แหละเป็นสาเหตุที่ทําให้ยิ่งทําชั่วมากขึ้น อันนี้เป็นตัศเีรของอุลมะฮ์ด้วยแล้วก็มีในอายัดอื่นด้วยเราจะทำดีทำไมถ้าสมมติว่าเราทำดีแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแล้วเราจะกลัวที่จะทำชั่วทำไมถ้าทำชั่วไปแล้วไม่มีการลงโทษความชั่วมักจะตอบสนองอารมณ์ความอยากความใคร่ของเราทุฟัติลนารบิชฮาวะท่านนั่นทีบอกว่านารกเนี่ย ถูกห้อมล้อมด้วยความชั่วหมายความว่าไอ้สิ่งที่เป็นความชั่วนี่มันมันมั น, มนโดนใจส่วนใหญ่จะโดนใจจะตอบสนองความรู้สึกตัณหาเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เชื่อว่าทำชั่วแล้วจะโดนลงโทษมีเหตุผลอะไรที่เราต้องกลัวในการทำชั่วไม่มีเหตุผลนี่คือความคิดของคนพวกนี้ เพราะมันคิดว่าวันอัครา์ไม่มีจริง a ล l a h t a าลาจะไม่ไม่ให้ฟื้นขึ้นมาอีกก็เลยทำชั่วอย่างสบายอกสบายใจแม่ว่าจะเป็นยินก็ดียินที่ถูกหล อ, อกนะที่อิบลิสหล อ, อกไปแล้วแล้วก็มนุษย์ก็ดีลองนึกดูสิตอนที่เราทำชั่วแล้วมันมีความรู้สึกแว๊เข้ามานิดหนึ่งว่าตายไปแล้วนี่ต้องเข้านรกจะรู้สึกยังไงที่เราเคยพูดไปแล้วว่าให้ตัดย่อความรู้สึก ตัดความรู้สึกมีความสุขของเราด้วยความด้วยความตายเมื่อเรามีความมีความอหังการเยอะเมื่อเราใจของเราเหลืองจมปลักอยู่กับความความสุขในโลกดุนยาหรือว่าบินโวยบินไปกับความความเอ่อเอ่อขยันจินตนาการมโนของเราอะไรต่างๆนานาเนี่ยตัดตัดความรู้สึกนั้นให้นึกถึงความตาย พอนึกถึงความตายปุ๊บมันจะกลับมาที่เดิมวัดใจจะกลับมาที่เดิมเพราะฉะนั้นคนที่ทําชั่วเยอะๆเนี่ยเขาไม่อยากเชื่อไม่อยากฟังด้วยซ้ําเวลาที่เราพูดถึงความตายไม่อยากฟังเวลาที่พูดถึงอาเครัสไม่อยากฟังเพราะฟังแล้วทําชั่วไม่สนุกพอฟังแล้วไอ้ที่มันได้อัธรตอยู่เนี่ยจะหดหัวทันทีเลยจะไม่สนุกอีกต่อไป นัะที่เขาเกลียดคนที่ทํางานด่าวะทําไมที่พวกของนบีนุชึงไม่ยอมฟังนบีนุชเพราะอะไรละ่ะอ่ะฟัง พ, พวกของนบีนุชเวลาเห็นนบีนุชเนี่ยเอาผ้ามาคลุมเลยอะ่ะไม่อยากให้นบีนุชเห็นไม่อยากฟังดาวะของนบีนุชเพราะาฟังแล้วมันไม่สนุกอยู่ในในชีวิตนี้ไม่สนุกแล้วต้องทําดีต้องกลับไปหาลอต้องคุมตัวเองต้องคุมตัวเองจะเมาไม่ได้ละอเมาเมา ต่<ท>ำควาเมามมนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะมึนนะบ่าจะมึนก็ไม่ได้ละแปลกไหมไอความสุขในโลกดุนียะนี่มักจะเกี่ยวข้องกับการเมาและกัการมึนดีกรีเมายิ่งเยอะจะมีความสุขยิ่งเยอะในโลกดุนียะจะบอกว่าในโลกดุนยียะนะแม้กระทั่งสุราหรือยาเสพติดเองก็จะมีดีกรีของมันจะมีมึนก่อนเล็กๆอันนี้ก็มีความสุขแล้วตัวเองเนี่ย ไม่รู้อยู่ยังไงแต่ว่าสมองสมองนี่ไปแล้วหลอนไปแล้วกําลังขึ้นสวรรค์กําลังโบยบินอยู่กับอะไรต่างๆนานาใช่ไหมครับอันนี้เห็นไหมแต่พอหายเมาแล้วเป็นยังไงครับพอหายเมาแล้วเป็นยังไงไม่เหลือสภาพไม่เหลือสภาพยิ่งกว่าสัตว์สี่เท้าเคยเห็นโฆษณาชิ้นหนึ่งไหมที่เขาแชร์กันอยู่ใน Facebook ตอนนี้ไม่รู้มีอีกหรือเปล่า คนที่กินยากินน้ำเมาแล้วก็เป็นยังไงกลายร่างจากเดิมเดินสองขาแล้วกลายร่างมาเป็นสี่ขาไปเห็นไหมไปเห็นไหมโปสเตอร์ที่เขาแชร์กันอยู่ใน Facebook นี่คือคนที่อยากจะมีความสุขในโลกดุนยาเนี่ยจะไม่ยอมตื่นตื่นแล้วทุกข์ก็เลยต้องเมาและมันก็มีทฤษฎีแบบนี้เยอะมากในหมู่ในหมู่คนที่ไม่มีฮ idayat จากอัลลอฮ์ س ب ح ا ละ เราจะเห็นบรรดาพวกศิลปินพวกนักกรองจากโลกตะวันตกต่างๆนานาที่กลายมาเป็นไอดอลของวัยรุ่นของเด็กๆในยุคปัจจุบันเนี่ยชื่ออะไรแล้วที่ว่าปลูกกัญชาเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นไร่ๆเลย อ, ะอ่ะชื่ออะไรละอยู่แถวอะไรอเมริกาใต้หรือเปล่าใช่ไหมที่เป็นศิลปินใหญ่อะ่ะที่เนี่ยมเีเวลาเขาเปิดผับเปิดบาร์ก็จะมีรูปของ สาววกพวกเนี้ยฮะเสื้อพวกเราชอบใส่เสื้อพวกวัยรุ่นบางคนชอบใส่เสื้อแล้วก็มีมีรูปกัญชาอยู่ข้างหลังเนี่ยก็เป็นสาวกพวกนี้หรือเปล่านะ้วเวลาที่จะขึ้นไปบนบนเวทีคอนเสิร์ตก็จะต้องให้มึนก่อนให้เมาก่อนอาวุบินละมางจะไม่ยอมเชื่อเพราะอะไรเพราะถ้าเชื่อแล้วไม่มีความสุขอีกต่อไป อาอิลฮอิลลตบรัอตนอันนี้เป็นคำพูดของนักกัฟซีรผมหาคำพูดนี้มานานเพิ่งมาเจอในอายนี้ไม่น่าเชื่อว่าอายันี้เนยอายัดเนี้ยจะเอามาอธิบายข้อเท็จจริงนี้ได้คำพูดของอิหม่ามอัสาดีอิหม่ามอัสสดีบอกว่าไอ้ฟเมมาอัคารุลบสอัดมอลชิรกวตุยานเมื่อคนพวกนี้ปฏิเสธการฟื้นคืนชีพ เมื่อปฏิเสธแล้วอัดามูอลชิริกพวกเขาก็เลยมีความอาถรรพในการทำชิริกต่อ a l l a วัตุย่าและก็การละเมิดข อ, อบเขตของพระองค์ถ้าเชื่อในวันอัคราฐเชื่อในการฟืนคืนชีพจะไม่กล้าชิริกจะไม่กล้าละเมิดข อ, อบเขตของ Allah س ب า ا ن ه และกเพราะฉะนั้นชัดมากนะครับว่าอัลอีมานความศรัทธา คือสิ่งที่จะยับยัง้งไม่ให้เราออกนอกเส้นาสทางที่อิสลามได้กาหนดให้กับเราไว้ฟื้นฟูอมานของเราให้ให้บ่อยๆเวลาที่อมานลดต้องฟื้นขึ้นให้มาบ่อยๆจะได้ช่วยคุมเราเราคุมตัวเองไม่ได้เราคุมตัวเองไม่ได้ ม, ไ ม, ไดมีแต่อมานเท่านั้นที่จะช่วยคุมเราได้ ح ح rabb rabb al a l l a Taalaala a s a i n a m u h a m m a d a a l a alihi wasallam سبحان ربيك رب العزة تاميسفون وسلام الحمد ا ل ม ا ุลิล ا ل ฮฺรับลาง م อ السلام عليكم